นะแล้วก็เขียนข้อความว่าเนี่ยในนามของคุณเราได้ส่งเงินเราได้ส่งมุ้งไปให้เด็กแอฟริกันนะใบประกาศเกิยรตคุณนะ <ใช S 1> ก็ทามันเองนะ<ม>เธอก็วาดรูปแล้วก็น้องชายก็ช่วยวาดรูปด้วยแล้วก็มีลายเซ็นของเธอนะทั้งหมดที่เขียนเป็นลายมือหมดนะไม่มีการพิมพ์เ<ม>พื่อนบ้านมาซื้อก็ได้ใบประกาศเกียรติคุณจากเธอก็กดีใจนะ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 เขก็ส่งใบประกาศเกียรติยศมาให้เธอหลายใบเลยนะแล้วตอนหลังก็เอาเรื่องของเธอเนี่ยไปขึ้น f เฟซบุ๊กไปขึ้นเว็บไซต์สมัยก่อนนี่อันนี้ตอนที่มันสมัยนั้น facebook ยังไม่มีนะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นประมาณสักหกเจ็ปีที่แล้วก็เลยมีคนประทับใจนะก็ส่งเงินมาช่วยไอ้หน่วยงานนี่ใหญ่เลยเพราะขนาดเด็ก5้าขวบนี่ก็ยังไม่อยู่นิ่งเฉยไม่นิ่งดูดายนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่ได้จากการบริจาคเพื่อไปช่วยเด็กแอฟริกาก็เพิ่มมากขึ้นส่วนแคทเทอรีนก็ยังเปิดท้ายขายของนะเหมือนเดิมนะแล้วก็เร่งกันผลิตทำใบประ ก, กราศเกียรติคุณเพราะว่าใครๆก็อยากได้ใบประ ก, กราศเกียรติคุณจากแคทเทอรีนนะนะให้สิบเหรียญนี่ก็ได้ใบได้หนึ่งใบนะเขาก็ซื้อของอันใหญ่เลยซื้อของบริจาคเธอเธอก็ปั๊มนะเขียนด้วยมือส่งไปให้ผู้บริจาค ตอนหลังก็ได้เป็นประมาณแค่ปีเดียวเธอก็ได้ประมาณหกพันเหรียญเด็กห้าขวบนะพออายุหกขวบนี้ก็ได้ไปแล้วหกพันกว่าเหรียญซื้อมุ้งได้หกร้อยกว่าหลังตอนหลังนี่เบ็คแคมเบ็คแคมนี่ตอนนั้นกําลังดังนะ น, นักฟุตบอลรู้เรื่องของเธอก็เอาเรื่องเธอขึ้น facebook นะตอนนี้ Facebook เริ่มมาแล้วนะโอ้ก็คนก็บริจาคให้เบ็คแคมใหญ่เลย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 บอกว่าเด็กๆต้องการมุ้งนะแต่ไม่มีมุ้งเพราะว่าเงินอยู่กับคุณเงินอยู่กับคุณเบลเกตได้รับจดหมายก็ไ ม, ไม่ให้เบลเก่มูนที่ที่เบลเก่นะนะมุนที่เบลเก่ที่ทําเรื่องการศึกษาสาธารณสุขไม่กี่วันเท่านั้นแหละมือที่เบลเก่ก็ให้เงินมาเลยสามล้านนะให้แก่คาทอลีนเพื่อส่งเงินไปให้อฟริกา แคทเธอรีนก็เลยส่งใบประกาศเกียรติคุณมาให้ขอบคุณบิลเกตนะอะมูลที่นี่ก็ดีนะอุตสาบอกได้ว่าเนี่ยเป็นเพราะแคทเธอรีนนะแคทเธอรีนบอกว่าเด็กไม่มีมุ้งเพราะเงินอยู่กับผมนะตอนนี้เงินมาแล้วนะมุ้งก็มาแล้วด้วยนะก็กลายเป็นว่าเธอได้ช่วยเด็กนี่เป็นล้านเลยนะเพราะว่ามุ้งหลังนึงนี่เด็กอยู่ได้สี่คนเป็นมุ้งขนาดใหญ่